แต่เราจะคิดว่าเราถ้าไม่ทําบุญตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปทําในตอนไหนตอนที่มีสติสัมปชัญญะดีที่สุดอย่างนี้แล้วเนี่ยนะจิตของเราก็โคจรไปในพุทธานุสติเป็นต้นไม่ได้นี่ถือว่าแหมมันน่าสงสารที่สุดเมือ่อหมายว่าเมื่อถึงจุดสุดยอดของชีวิตแล้วแสวงหารายได้ไม่พอจะเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเนี่ยนะอันนี้ก็เห็นใจได้เลยว่าอนาคตเนี่ยขอทานแน่นอน น, นั้ น, นี่ย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 ใจเป็นประธานเนี่ยนะตามที่คาถาธรรมบทกล่าวไว้เรื่องแรกในยมกกวักเนี่ยนะยกรรมมายมกกวัก น, นะพระเรื่องจักขุปาลเทระวัตถุหรือว่าเรื่องของมัทกุลบาลีก็ตามมันถ้าเราเอาสภาพของใจเราเป็นหลักในการศึกษาคําสอนของพระพุทธเจ้าในที่สุดเราก็แทงตลอดทำที่สุดแห่งกองทุกข์ให้ได้แต่ว่าอยากที่จะกล่าวแนะนําหรือว่าตักเตือน หรือว่าถือว่าเป็นคําบอกเล่าก็แล้วกันว่าเราจะให้ใจของเราโครจรไปกับคําสอนชั่วชาตินี้กี่ชั่วโมงเนี่นะต่อวันหนึ่งวันหนึ่งมียี่สิบสี่ชั่วโมงเราควรจะแบ่งใจให้อยู่กับคําสอนได้กี่ชั่วโมงดีนี่นะอยู่กับกี่ชั่วโมงดีเนาะสิบแปดชั่วโมงอืมมากไปอย่างนั้นสิบห้าชั่วโมงสิบสี่ชั่วโมงขอเถอะบางคนบอกแหมบางทีนะ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 ทำไมฟังท่านพูดแล้วแหมทุกอย่างทาไมต้องมอบความไว้วางใจให้กับพระพุทธเจ้าขนาดนั้นเราเอาใจของเราเองเข้าว่าไม่ได้เลยคิดเอาเองไม่ได้หรืออะไรหรือบอกไม่ได้คนที่ทําได้คือพระพุทธเจ้าภาคที่เหลือต้องทําตามอย่างเดียวขนาดทําตามแล้วยังไม่ง่ายเลยจะกล่าวไปใหญ่ถึงทําเองว่างั้นเถอะเนี่ยงนะ้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 เปรียบเหมือนคนใบ้ฝันรู้แต่เล่าให้ฟังไม่ได้เปรียบเหมือนชาวเขาชาวป่าชาวโดยคนหนึ่งที่เข้ามาในเมืองไม่รู้จักเชื่อเขาว่าขนมเคก้กแล้วก็มาทานขนมชั้นดีของชาวเมืองเสร็จแล้วก็ถามว่าขนมอร่อยมากเชื่ออะไรไม่รู้วิธีปรุงทํายังไงมัง่งไม่รู้เพิ่งทานมาอร่อยมากพูดได้แค่นี้แหละอย่างอื่นนะ่ะย่างอื่นก็ไปหาทานเอาเองก็แล้วกัน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 เลื keep keep ่องเกินไปอ่ะบางทีบางอย่างควรจะคิดสักสองนาทีไปคิดสักสองชั่วโมงอย่างเงี้ยนะบางอย่างควรจะคิดสักครึ่งชั่วโมงคิดปาก็ไปสามวันสามคืนไม่เลิกคิดไอ้เรื่องบางอย่างที่ควรคิดทั้งวันทั้งคืนคิดสองนาทีอย่างเงี้ยมันใช้ผิดประเภทมากๆเลยนะเรียกว่าพวกนี้ใช้อริยรัพย์ผิดประเภทใช้ใจไปผิดประเภทแล้วว่าใช้ชีวิตผิดประเภทมันน่าสงสารหรือว่าน่าเมตตาเนี่ยนะแค่ว่าหน้ามุทิตาหรือว่าหน้ากรุณาก็น่าสงสารซะมากกว่าเนี่ยนะ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 เบียดเบียนตัวเองเท่าใดก็จะเบียดเบียนผู้อื่นเท่านั้นถ้าทับทับผมความทุกข์ให้แก่ตัวเองเท่าใดก็จะโปรยความทุกข์ใส่ลงผู้อื่นเท่านั้นเนี่ยนะมันเป็นโรคติดเชื้อกันได้มันในที่สุดก็เบียดเบียนตนเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนอะไรลฝ่ายก็ชักชวนกันไหลไปสู่แต่แค่ว่าห่วงแห่งความทุกข์ต่อต่อไปมันก็พยายามตั้งตนนั้นเราเองอ่ะต้องใส่ใจตามคําสอนอย่างเดียว ขณาใส่ใจตามคําสอนอย่างยากเขาบอกว่าเนี่ยวิสุทธิมรรคเนี่ยนะพระพุทธโกษ า, าจารย์ท่านอุตาหย่อพระไตรปิฎกมาแล้วเราก็ยังบอกว่ายากไปบอกตอนแรกบอกพระไตรปิฎกยากน่าจะมีการย่อพระไตรปิฎกท่านก็ย่อมาให้เป็นวิสุทธิมรรคบอกมันยากไปย่อมาอีกท่านนั้นยะ่อย่อย่อไปเนี่ยนะที่จริงอ่ะบอกว่าถามว่าคนโง่ควรเรียนโดยพิสดารหรือเรียนแบบย่นยอ่อะนะควรเรียนแบบยอ่อหรือพิสดารถ้าโง่เข่าเนี่ยนะคนโง่ควรเรียนมากหรือควรเรียนนย้อย ก็ควรเรียนมากแล้วเราอ่ะเราก็ลองมาคิดดูว่าเรากลุ่มกลุ่มไหนฉลาดมากหรือฉลาดน้อยเราควรให้เวลาอยู่กับคําสอนแค่ไหนเนี่ยนะมากหรือน้อยเนี่ยนะมันแต่ก็กะไรนะก็มาชอบคําอยู่คำหนึ่งในะพระตรีพิตรบอกดูก่อนท่านผู้เป็นเช่นเราเพางั้นก็คือมันทุกเหมือนเรานั่นแหละจะมีอะไรก็ดูภายใต้ดวงอาทิตย์ดวงเดียวกันอ่างนั้นนะอยู่บ น, นผืนแผ่นดินเดียวกันชรามรณะเหมือนกันหิวเหมือนกัน